สิกขาบทที่สองภิกษุณีให้ทำผ้าอาบน้ำเกินขนาดต้องอาบัดสองอย่างคือ 1. กํากำลังให้ทำต้องอาบัดทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อให้ทำเสร็จแล้วต้องอาบัดปาจิตตี